ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นวินยะสังกะอัตกัฐาพระสารีบุตรมหาเถระชาวศรีลังการัชนาพระมหาอาคมธรรมะขมโมแปลเรื่องที่สามสิบสี่ก็กินนักยุนิชยกคขาข่าว่าด้วยการวิริชัยว่าด้วยเรื่องเป็ตเตเล็ตต่อ ต่อไปก็มีพระบาลีว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายพิสูไม่พึงทรงเครื่องประดับหูไม่พึงทรงสังวานไม่พึงทรงเครื่องประดับเอวไม่พึงทรงวันไม่พึงทรงต้อยตาไม่พึงทรงเครื่องประดับข้อมือไม่พึงทรงแหวนประดับนิ้วมือรูปใดทรงรูปนั้นต้องอ บ, บับทุกกฎก็คือไม่ให้แต่งตัวด้วยเครื่องประดับต่างๆนั่นเอง ฉะนั้นเครื่องประดับอย่างใดอย่างหนึ่งมีเครื่องประดับหูเป็นต้นย่อมไม่ควรในบรรดาเครื่องประดับเหล่านั้นคาว่าวันลิกาก็คือเครื่องประดับหูนี้เป็นชื่อแห่งเครื่องประดับหูเป็นต้นว่าแก้มุกดาและตุ้มหูที่ห้อยออกจากหูก็แลจะไม่ควรแต่ตุ้มหูอย่างเดียวเท่านั้นหาดีได้เครื่องประดับหูอย่างใดอย่างหนึ่งชัน่สุดแม้เป็นใบตาลก็ไม่ควร สายสร้อยชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าสังวานเครื่องประดับสําหรับแต่งที่คอชนิดใดชนิดหนึ่งชื่อว่าสร้อยคอเครื่องประดับเอวชนิดใดชนิดหนึ่งโดยที่สุดแม้เพียงเส้นได้ชื่อว่าสายรัดเอววหลัลลยชื่อว่าเข็มขัดสร้ยตาเป็นต้นก็จะกฏชัดแล้วนั้นพวกนาฬิกาพวกแหวนพวกอะไรต่างๆเหล่านี้ เห็นกระดโชต่างๆอันนี้ไม่เห็นเหมาะสมอะไรสรําหรับพระภิกษุเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ผือไว้ผมยาวรูปใดไว้รูปนั้นต้องอบัดทุกกฎดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ไว้ผมได้สองเดือนถือว่ายาวสององคุรียาวสองนิ้วหมายถึงสองข้อนิ้วมือดังนี้ถ้าว่าภายในสองเดือนผมยาว คืยาวถึงสองนิ้วไซส์ต้องตรงภายในสองเดือนเท่านั้นจะปล่อยให้ยาวเกินสองนิ้วไปไม่ควรก็คือระหว่างสองเดือนหรือว่าสองนิ้วอันไหนถึงก่อนจะต้องตรงไม่ถึงสองเดือนหรอกแต่มันจะเกินสองนิ้วแล้วก็ต้องตรงหรือว่ายังไม่ถึงสองนิ้วเลยแต่ว่าเกินสองเดือนแล้ ว, วก็ต้องปรงแม้ถ้าไม่ยาวจะปล่อยให้เกินไปวันเดียวก็ไม่ได้เหมือนกันก็คือไม่เกินสองเดือนนี้เป็นกําหนดอย่างสูง ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสด้วยบททั้งสองด้วยประการชนิแต่ย่อนว่ากาหนดนั้นขึ้นคือย่อนว่ากำหนดนั้นไปชื่อว่าสมควรต่้กว่าสองเดือนจะปรงก็ได้หรือว่าต่้กว่าสองนิ้วจะปรงก็ได้ปัจจุบันนี้ก็ถือเอาเกณฑ์เดือนหนึ่งโรงครั้งหนึ่งแต่ว่าบางที่บางวัดบางท่านครึ่งเดือนก็ปงแล้วเพราะว่าเอาวายาวแลมันคันใช้สบู่สัตผม มันก็ทําให้คันครึ่งเดือนก็ปร่งละก็ไม่คิดวินัยอะไรแต่ละห้ามเกินสองเดือนหรือว่าห้ามเกินสองนิ้วเพราะมีข้าบาลีว่าดูความที่สุดทั้งหลายที่ตุกไม่พึงตัดผมด้วยกันไกรรูปใดตัดรูปนั้นต้องอาบัตทุกกฎดูกรที่สุดทั้งหลายเราอนุญาตให้ตัดผมด้วยกันไกรได้เพราะเหตุคืออาพาธดังนี้ฉะนั้นเว้นแต่อาพาธเสีย พิสุจะให้ตัดผมด้วยกรรไกรย่อมไม่ควรก็อดัตทุกกฎถ้าตัดผมด้วยกรรไกรยกเวาา้นเอ่าผ้ามันเหมือนกับแต่งผมเหมือนก็ผิดไปก็มีพระบารีว่าดูกวามพิสุทั้งหลายพิสุไม่พึงหวีผมด้วยแปลงไม่พึงหวีผมด้วยหวีไม่พึงหวีผมด้วยนิ้วมือต่างหวีไม่พึงหวีผมด้วยน้ำมันผสมกับขี้ผึ้งไม่พึงเสยผมด้วยน้ำมันผสมกับน้ำ รูปใดหวีรูปนั้นต้องอาบทุกกฎเพราะฉะนั้นพีกตุจึงไม่ควรหวีผมด้วยแปลงเป็นต้นเพื่อจะตกแต่งแต่จะชุบน้ําให้เปียกแล้วเช็ดศีสากก็คือเอามือชุบน้ําหรือผ้าชุบ น, น้ําก็แล้วแต่แล้วก็มาเช็ดสีสไลเปียกเพื่ อ, อยังผมที่มีปลายงอนให้ราบไปตามลําดับอันนี้ได้นะไม่เป็นไรถ้ามันตั้งตรงเดชขึ้นมาแล้วว่า จะให้เงินลาบลงไปองเอาน้ำชุบแล้วก็เช็ดจะเอามืออันเปียกเช็ดแม้ซึ่งศรีรษะที่ร้อนจัดด้วยความร้อนและเปื้อนทุรีก็ควรเพราะนั้นไม่ให้แต่งผมแสดงว่าสองนิ้วเนี่ยมันยาวยังไม่ถึงสองนิ้วเนี่ยประมาณนิ้วหนึ่งก็ยาวแล้วล่ะก็สามารถที่จะเอาน้ำชุบแล้วก็ปัดให้มันเรีย บ, รยบหรือว่าถ้ามันร้อนหรือว่ามีฝุ่นผงทั่ดีบนศรีรษะก็เอามือชุบน้าแล้วก็เช็ดได้ แต่ว่าไม่ให้ตั้งอยู่ในทางดานะการแต่งตัวนะจะให้รอจะให้ดูดีอันนี้ก็ไม่เหมาะสมมีอบัดทุกกดด้วยถ้าตั้งใจจะแต่งตัวเพราะมีข้าบารีว่าดูความที่สุดนทั้งหลายที่ตุกไม่พึงส่องดูเงาหน้าในแว่นก็คือกระจกหรือว่าในภาชนะน้ํารูปใดน่นองรูปนันต้องอบัดทุกกดห้ามดูกระจกเดี๋ยวจะไปดูความหล่อของตนเอง เพราะฉะนั้นตัดปัญหาไปเลยพระพุทธเจ้าก็อนุเคราะห์อย่างมากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนเนี่ยสนใจตัวเองโดยเฉพาะสนใจที่หน้าเมื่อดูแล้วก็อดในการที่จะให้มันดูดีๆไม่ได้ความยึดถือก็เพิ่มขึ้นถ้าไม่ได้จเจอวิปัสสนาก็ไม่ได้สังเกตหรอกว่าพอเห็นเราหน้าของตนเองก็ไม่มีการถามว่าอ๋อนี่ใครอไปอยู่ในกระจกเพราะอาศัยหน้าเพราะอาศัยแสงสว่างเพราะอาศัยกระจกก็เลยเกิดเราหน้าขึ้นเพราะฉะนั้น ไม่มีหน้าจริงๆหรอกเป็นเพียงภาพสะท้อนเท่นั่นเองเพราะฉะนั้นชีวิตจริงของเราก็เหมือนกันก็อาศัยปัจจัยหายอย่างกคืออาศัยหน้ามาตามอาศัยรูปธรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปช่วขณะช่วขณะแล้วก็อาศัยปัจจัยตรีปัจจัยตีไม่ใช่จีวณบิตรบาลเสนนาสนะจีนนาปัจจัยเท่านั้นนะในประมาทก็คือกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารนำมาทำรูปธรรมนี้จึงสามารถที่จะเป็นไปได้หรือว่าการเห็นรูปแต่ละครั้งแต่ละครั้งอาศัย วัตถุรูปอาศัยทวารก็คือจักขูวัตถุจกกักขุทวานนั่นแหละอาศัยรูปอารมณ์แล้วก็อาศัยผสัสสะกระทบวิญญาณก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็แปรปลีนไปพอเห็นกระจกถ้าคิดได้อย่างนี้สติเกิดเห็นเงาได้ในกระจกอันนี้ก็ไม่มีอัปปะแต่แก็ต้องมีกิจสําคัญถึงจะไปดูกระจกได้ด้วยการอาภาพเป็นต้นดูก่อบติกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ดูเงาหน้าที่แว่นหรือที่ภาชนะน้ำได้เพราะเหตุคืออาภาบเพราะฉะนั้นภิษตุจึงไม่ควรดูหน้าในแว่นหรือว่าในภาชนะน้ำเว้นแต่อาภาพในเรื่องนี้มีวินิจฉัยดังต่อไปนี้เราหน้าย่อมปรากฏในวัตถุเหล่าใดวัตถุเหล่านั้นทั้งหมดแม้มีแผ่นสับปะริดเป็นต้นย่อมถึงความนับว่าแว่นเหมือนกันสมัยปัจจุบันนี้ฝาบาทก็ แวววาวสามารที่จะเห็นเงาหน้าได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นทําให้ไม่เห็นเงาหน้าก็าไม่ยากาเอาสก็อตไบไปขัดๆๆเดี๋ยวมันก็สับซาแวาววาวมันก็หมดไปก็ไม่เห็นใบหน้าและแม้วัตถุมีน้ําส้มพอูปเป็นต้นย่อมถึงความนับว่าภาชนะน้ำเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นทุกกฎแก่ผู้แลดูในที่ใดที่หนึ่งด้วยความตั้งใจพวกจะดูความหลองตนเองเอ น, นี่นะ ว่าจะแต่งตัวก็แล้วแต่มีอาบัติทุกฎพระเหตุคืออาพาธย่อมควรเพื่อจะรู้ว่าแผลของเรามีผิวเต็มหรือยังดังนี้อย่างนี้ก็ดูได้ถ้ามีเหตุได้ปุราณะอัจฉราิยก็คืออัจฉริยะของเก่ากล่าวว่าสมควรมองดูเงาหน้าเพื่อตรวจดูอายุสังขารว่าเราแก่แล้วหรือยังหนอดังนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นความเห็นของปุราณะอัจฉริยะเพราะฉะนั้นก็ ถ้ามีสติสักเัสไดจริงๆจะตรวจดูช่วว่าเราเนี่ยอ น, นิจจังปรากฏมากหรือยังที่ใบหน้า น, นี่ก็ได้นะ น, นี่ก็เป็นความเห็นของอธิกถาปุรานะเราไม่ค่อยได้ยินชื่อเท่าไหร่ปุรานะอนธิกะถาเพราะมีพระบารีว่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายที่จูดไม่พึงทาหน้าไม่พึงถูหน้าไม่พึงผัดหน้าไม่พึงเจิมหน้าด้วยมโนศิลา ไม่พึงยอมตัวไม่พึงยอมหน้าไม่พึงยอมทั้งตัวนะทั้งหน้ารูปใดทำรูปนั้นต้องอับัตทุกกฎดูกอนิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ทาหน้าได้เพราะเหตุคืออาภาษฉะนั้นภิกสุจึงไม่ควรทาหน้าเป็นต้นเว้นไว้แต่อาภาคจะไปทาหน้าทาตัวทาอะไรให้มันสดให้มันสวยมันดูดีมากขึ้นก็เป็นที่ตั้งของราคะ จะติดตั้งความกำลังความยึดถือมากขึ้นแต่ามาบวชเข้ามาเพื่อที่จะละคลายความยึดถือละคลายความยึดมั่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรจะไปตกแต่งกระดับกระดาอะไรต่างๆเพราะมีพระบาลีว่าดูกรที่สุดทั้งหลายทิสตุมไม่พึงไปดูการฟ้อนรำขับร้องหรือว่าการประโคมดนตรีรูปใดไปรูปนั้นต้องอบัตบทุกกฎฉะนั้นทิสตุจึงไม่ควรไปเพื่อดูการฟ้อนเป็นต้น สำหรับในเรื่องนี้มีวิจิยชัยดังต่อไปนี้วันว่านักจําได้แก่นักฟ้อนเป็นต้นฟ้อนรำหรือพวกนักเลงตุราฟ้อนรำก็ตามทีชั้นที่สุดแม้การฟ้อนของนกยูงนกแขกเต้าและลิงเป็นต้นระ บ, บํารนลิงอยู่ในทุเี้นทั้งหมดนั้นชื่อว่าการฟ้อนเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นอบาตยุขกตแจ่ทิจุผู้ไปเพื่อจะดูโดยที่สุดแม้กระทั่ง ของการฟ้อนของนกยูงแล้วก็ะทัางการฟ้อนของนกยูงไปดูก็อบัวบทุกกรดเหมือนกันทิกสุจะฟ้อนเองหรือว่าใช้คนอื่นฟ้อนก็เป็นอบัติทุกข์กดเหมือนกันถ้าเป็นสุฟ้อนรับดีคงจะได้ดูมากได้ดูชนิดที่น่าละอายอ่ะเพราะว่าเป็นกระพิตุควรหัวเบ่งเบแล้วก็ใส่ผ้าเหลืองแล้วก็ไปฟ้อนรำดีก็ไม่ใช่น่าดูน่าเกลียดก็เป็นทุขกข์เหมือนกัน วัว่าคียตัมได้แต่การฟ้อนของคนฟ้อนเป็นต้นก็ตามหรือการขับที่ดีที่ประกอบด้วยคุณของพระรัตนตรัยในการปริพัติของพระอริยเจ้าทั้งหลายหรือการขับกล่าวรมของพิจุผู้ไม่สำรวมทั้งหลายชั้นที่สุดแม้การขับด้วยฟันหรือว่าผิวปากก็ตามพิกจุคิดว่าเราจะขับแล้วร้องเสียงเปล่าในส่วนเบื้องต้นเพลงขับ และการร้องเสียงเปล่าทั้งหมดนั้นจัดเป็นเพลงคลับเหมือนกันก็คือไม่ต้องมีเสียงบรรเลงเสีรรยงดนตรีขับเปล่าหรือก็เป็นเพลงคลับเมื่อพิสูจขับเองก็ตามให้ผู้อื่นขับก็ตามเป็นทุกกฎเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ควรที่จะขับร้องฟอร์ดรัมด้วยตนเองหรือว่าให้คนอื่นกระทำมีอบับอายเหมือนกันเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนพอิสุดทั้งหลาย พิสุสวดพระธรรมด้วยทำนองยาวคล้ายเพลงครับมีโทษห้าประการคือตอนเองยินดีในเสียงนั้นหนึ่งคนอื่นก็ยินดีในเสียงนั้นหนึ่งชาวบ้านติเตียนหนึ่งสมาธิของผู้พอใจทำเสียงย่อมเสียไปหนึ่งพิสุชั้นหลังจะถือเอาเป็นเยี่ยงอย่างหนึ่งดูก่อนพิสุทั้งหลายโทษห้าประการนี้แหลของพิตุ ผู้สวดพระธรรมด้วยทํานองยาวคล้ายเพลงขับดูก่อนพิกษุทั้งหลายพิกสุไม่ปรุงสวดพระธรรมด้วยทํานองยาวคล้ายเพลงขับรูปใดตรวจรูปนั้นต้องอับบัตทุกกดฉะนั้นแม้ธรรมพิกษุก็ไม่ควรสวดด้วยเสียงเหมือนเสียงเพลงขับอันยาวก็สวดไปตามปกติถ้าเสียอักขระความหมายเสียไปอันนี้ก็ใช้ไม่ได้อับบัตทุกกดด้วยถ้าไปตรวจเสียงยาวเหมือนกับเพลงขับเนี่ย เชื่อว่าคล้ายเสียงเพลงขับที่ยาวก็คือเสียงขับที่ทําลายวัดนั้นๆทําอักขระให้เสียไปส่วนในธรรมวัดสําหรับสุตตันต์ก็มีการสวดธรรมะเนี่ยนะมีข้อวัดในพระสูตรเนี่ยก็จะมีวัดเรื่องปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการสืบต่อมาก็เลยไม่รู้ว่าการสวดนั้ น, นทำนองอย่างไรบ้างเพราะว่ามีวัดหรือว่ามีทํานองในการสวดถึงสามสิบสองวัดวัดในการสวด วัดสำหรับชาดกก็มีวัดสําหรับสุตตันตาก็มีวัดสำหรับคาถาก็มีเพราะฉะนั้นจะมีทํานองหลายประเภทซึ่งเป็นธรรเนียมที่สืบ่อกันมาแต่ว่าปัจจุบันนี้ก็หมดไปแล้วเหลือแต่สารพันยะของเราแต่สารพันยะในอดีตนี้ทํานองเป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ปัจจุบันก็เหลือแต่ทํานองสารพันยะการที่ยังวัดนั้นให้เสียทําเสียงให้ยาวเกินไปไม่ควร พึงแสดงบทพยัญชนะให้เรียบร้อยด้วยวัดอันจมกล ม, กลมอันหนึ่งพิกษุควรกล่าวทำด้วยเสียงก็คือส่วนสารพันยะนั่นแหละแปลว่ากล่าวทำด้วยเสียงเพราะมีพระบาลีว่าอนุกรรภิกษุทั้งหลายเราอนุ ญ, ญาตให้ตรวจเป็นธรรนองสารพันยะดังนี้ได้ยินว่าในสารพันยะนั้นมีวัดถึงสามสิบสองสาิสองวัดก็คือสามสิองธรรนองนั่นแหละมีตารางค้าวัด ทำนองดังคลื่โทตะกะวัตรทำนองดังลีดนมโคคลิตตะวัตรทำนองดังของเลื่อนเป็นต้นในวัดเหล่านั้นที่จุย่อมได้เพื่อใช้วัดที่ตนต้องการการที่ไม่ยังบดและพยัญชนะให้เสียคือไม่ทำให้ผิดเพี้ยนเปลี่ยนโดยในที่เหมาะซึ่งสมควรแก่สมณะนั่นแหลเป็นลักษณะแห่งวัดทั้งปวง ก็มีวัดถึงสามสิบสองวัดด้วยนะทํานองสามสิบสองธรรนองเนี่ยทํานองดังคลื่นหรือว่าดังน้ําการรีดนมโครหรือว่าดังของเลื่อนเป็นต้นเนี่ยปัจจุบันนี้ก็เหลือแต่สารพันยะของเราองใด้พระสามพุทธสุวิชนตาดันนานตัดมูลกละเลสมานบอมีมนมีมองบัวนี้ก็เราก็เรียกว่าเป็นสารพันยะ แว่าในครั้งอดีตนี้ยังไงก็งไม่รู้ไล้ล่ะเพราะอะไรทำนอนั้อเกินชื่อว่าเครื่องบรรเลงคือเครื่องบรรเลงที่ขึ้นสายเป็นต้นการประโคมกลองเทียมก็ตามทีชั้นที่สุดแม้การตีอุนกากระีรีก็คือกลองน้ำทั้งหมดนั้นไม่ควรแต่เมื่อพิกษุรำคาญหรือตั้งอยู่ในที่หน้ารังเกียจจึงดีดนิ้วมือก็ตาม ตบมือก็ตามในข้อนั้นไม่เป็นอบัติจะไล่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้นะอย่างเช่นท่านพระมหากัสปะดีดนิ้วมือไล่น า, างราชาเทวธิดาที่มาอุปถาเดี๋ยวพรตธรรมกถึกในอนาคตจะกล่าวได้ว่าพระมหากัสปะผู้เลิ่อนุดองนี่นะแต่ว่ามีอุปถาญิกาเป็นนางฟ้าท่านก็เลยดีดนิ้วมือไล่อันนี้ก็ไม่มีโทษอะไรจะตบมือก็ได้ในข้อนั้นไม่เป็นอบัต ไม่เป็นอาบัตแก่พิจุผู้ยืนอยู่ภายในวัดเห็นการละเน่นทุกอย่างมีการฟ้อนเป็นต้นเมื่อพิกจุออกจากวัดไปตูวัดอื่นด้วยตั้งใจว่าเราจับดูเป็นอาบัตแท้ก็เป็นอาบัติทุกกฎนั่งอยู่ที่อาสนะศาลาเห็นแล้วไม่เป็นอาบัติลุกขึ้นเดินไปได้คิดว่าเราจักดูเป็นอาบัติแม้ยืนอยู่ที่ถนนเหลี้ยวคอไปดูก็เป็นอาบัตเหมือนกันพิกจูไปเพื่อประโยชน์แก่สลากภะพเป็นต้น หรือด้วยกรณีรยกิจอื่นบางอย่างเห็นอยู่หรือได้ยินอยู่ในสถานที่ตนไปไม่เป็นอบัตของภิษณีนี้อบัตปัญจิตีเลยนะการดูการเร่นการพ้อนรำขับร้องต่างๆเหล่านี้เป็นอบัตปัญจิตีของพิษณีนี้จะหนักกว่าของพิกจุขั้นหนึ่งของภิจุทุ่งโกดของภิษณีปัญจิตีของพิกจุเป็นปัญจิตีของพิกษณีบางอย่างเป็นสังคารทิ่เศษ ของพิสูจเป็นสัมการที่เฉยของพิสูจนีนี่เป็นประราชิกก็มีเช่นให้บุรุษรูปคามเนื้อตัวนี่นะเป็นปรากาชิกได้เลยในพร้อมอันตรายทั้งหลายที่ตุถูกอันตรายเช่นนั้นเบียนเบียนเอาจึงเข้าไปสู่สถานที่ดูมหัรรย์เข้าไปแล้วอย่างนี้เห็นอยู่ก็ดีได้ยินอยู่ก็ดีไม่เป็นอับัตถ้ามีอันตรายเช่นงูไล่สัตว์ร้ายไล่หนีเข้าไปในโรงมหัศจรรย์นั้น ก็ไม่เป็นธบรมจะกล่าวว่าอุบาสกพวกท่านจงให้การบำรุงพระเจดีก็ดีเมื่อเขากล่าวว่าพวกข้ามเจ้าจะทำการบำรุงพระเจดียด์ของพวกท่านก็ดีย่อมไม่ได้เพื่อจะรับคำว่าสาธุดีแล้วอุบากกสกเมมติสรรเสริญใี้เขาไปอิสิทีเป่าไปน้องเพลงอะไรย่างๆเห่า น, น, นี้ก็ไม่เหมาะสมแต่เมื่อเขากล่าวว่า ข้าพเจ้าจะทำการบำรุงพระเจดีย์ของพวกท่านเท็กตุจะกล่าวว่าอุบาสกชื่อว่าการบำรุงเป็นการดีควรอยู่อันนี้ก็ไม่ได้สรรเสริญการไปร้องเพลงขับร้องอะไรแต่ว่ากล่าวว่าการบำรุงหรือว่าการอุปถากภบูชาพระเจดีย์ควรอยู่ดังนสมัยก่อนก็ ก, ก็มีความนิยมในการที่จะบรรเลงเพลงหรือว่าไปขับร้องบูชา พรเจดีบ า, างครั้งก็เรียกว่าสาธุกีฬาเช่นตอนบริณิพนธ์ของพระพุทธเจ้ามันมีสาธุกีฬาก็ก็ขับเพลงอะไรกันที่เกี่ยวเรื่องกับธรรมะของพ ร, ระพิสุก็ไม่ควรที่จะไปทําอย่างนั้นหรือว่าตั้งใจในการทีงง่จะฟังเรืเอร่องความเบิอเพือนนี้ก็ไม่เหมาะสมรอบข้าบารีว่ารู้ความี่สุกทั้งหลายองคชาติของตนอันพิสุไม่พึงตัดรูปใดตัดรูปนั้นต้องอบัติผลใจ ก็ฉะนั้นจึงเป็นอบัตทุนลจัยแก่ผู้ตัดองคชาติเมื่อพิกษุตัดอวัยวะอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งมีหูจมูกและนิ้วเป็นต้นประตามยังทุกเช่นนั้นให้เกิดขึ้นประตามเป็นทุกกฎแต่ไม่เป็นอบาตุแก่พิกจุผู้ปล่อยโลหิตหรือตัดอวัยวะเพราะถูกงูหรือว่าร่ามกัดเป็นต้นประตามเพราะปัจจัยคืออ า, าพาธอย่างอื่นก็ตามก็มีทั้งสุที่ป่วยไม่สบาย เกิดอัดมากานี่ก็ปล่อยเลือดปล่อยเลือดออกมาอันนี้ไม่มีอวัยวับหรือว่าถ้าถูกงูกัดแล้วก็รับสัมผัสไมทันถูกงูกัดที่นิ้วมือก็ตัดนิ้วมื อ, มอไปเลยอันนี้ไม่มีอาบาัยวแต่ว่าเป็ตัดเอาอวัยวะเพศโดยคขามกำดังก็เลยไม่อยากจะสึกไอ้เจ้าอาวัยวะเพศมันเป็นตัวปัญหาทําให้เกิดวุ่นวายขึ้นก็นเลยตัดทิ้งไปเลยต้องอาบาัยวะทุนละใจเพราะทีเจ้าติดเตี้ยมากก็ตลัดบอกว่า ดูก่อนโมฆะมโนดสิ่งที่ควรตัดเธอไม่ตัดสิ่งที่ไม่ควรตัดเธอก็ไปตัดสิ่งที่ควรตัดจริงๆแล้วมันคือกิเลสควรจะตัดเสียด้วยอริยมรรคญาณแต่ว่าอวียาเพศนี้มันไม่ใช่เป็นตัวที่ทําความเดือดร้อนจริงๆหรอกตัวเดือดร้อนก็คือตัวกิเลสนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าจะตัดตัดกิเลสเสียตัวอวียาเพศเอาไว้ปัสสาวะนั่นแหละดีแล้วเดี๋ยวจะเดือดร้อนภายหลังเพราะมีพระบางรีว่าดูก่อนพิสุทธิทั้งหลาย ที่สุไมพึงแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งยวดของมนุษย์แก่พวกคนรหัสรูปใดแสดงรูปนั้นต้องอบัายทุกกฎนำนี้ฉะนั้นทิกสุแสดงวิกุปภณะฤทธิ์แก่พวกกนรหัสไม่ควรแต่อธิฐานฤทธิ์พระผู้บีพระภาคเจ้าไม่ทรงหา้ามวิกุปพณะฤทธิ์นี้ก็มีความแตกต่างจาก อ, อธิฐานฤทธิ์อธิฐานฤทธิ์ก็เกิดจากการที่อบรมเจริญ สมถะโทนาวิตตนาโทนาแล้วก็ได้อภินยาสามารถที่จะอธิษฐานให้เป็นไปอย่างที่ต้องการได้แต่ว่าถ้าทำด้วยจิตที่มีความไม่แยบคายอยากจะโชว์อยากจะอะไรเดี๋ยวก็เสื่อมแต่วิกุปพนาไรตีเป็นรทธิที่ไม่ทราบเป็นยังไงนะต่อไปก็มีพระบาลีว่าดูกรทิสุทั้งหลายทิสุ ไม่พึงใช้บาททำด้วยทองคำไม่พึงใช้บาททำด้วยเงินไม่พึงใช้บาททำด้วยแก้วมณีไม่พึงใช้บาททำด้วยแก้วไผทูลไม่พึงใช้บาททำด้วยแก้วพลึกไม่พึงใช้บาททำด้วยสำริดไม่พึงใช้บาททำด้วยกระจกไม่พึงใช้บาททำด้วยดีบุกไม่พึงใช้บาททำด้วยตะกัวไม่พึงใช้บาททำด้วยทองแดงรูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกฏดันี้ พิสุจึงไม่ควรใช้บาตรที่ทําด้วยทองเป็นต้นแม้ถ้าว่ากระหัตทั้งหลายทํากับข้าวใส่ในภาชนะมีจานทองคําเป็นต้นเข้าไปถวายในโรงพัฒยย่อมไม่ควรแม้เพื่อจับต้องพันตนาต่งางๆที่ใสภาชนะทองคําจับต้องนั้นไม่ควรอันหนึ่งภาชนะทั้งหลายมีจานเป็นต้นที่ทําด้วยแก้วผลึกทําด้วยกระจกและทําด้วยสํำริดเป็นต้นย่อมไม่ควร แต่เพียงใช้เป็นของส่วนตัวเท่านั้นก็คือจะเอามใช้เป็นของส่วนตัวนี้ไม่ได้พวกจานแก้วผนึกทำด้วยกระจกต่างๆหรือว่าสำริดก็ตามมาใช้เป็นของส่น ว, น, ว, น, ตวสต น, สนตัวไม่ได้แต่ใช้เป็นของสงหรือว่าเป็นที่หิวิกัดคือเป็นของครหันั้นควรอยู่ไม่ใช้เป็นของส่วนตัวนะแต่ก็เป็นทองคําอะไรนี้พวกนี้จับต้องไม่ได้เลยไม่ควรจับต้องเลยบาทแม้ต่ำจากทองแดงก็ไม่ควรเพราะว่าอะไร เพราะว่าเดี๋ยวใส่อาหารที่เป็นของเปรี้ยวของเค็มลงไปมันก็จะไปกัดทองแดงเหล่านั้นย่สึกออกมาอาจจะเป็นโทษต่อร่างกายแต่ถ้าบานเด็กนี่ไม่เป็นไรนะบานเหล็กจะมีธานุเห็กถ้ากับข้าวที่เปรี้ยวอะไรไปกัดออกมาก็เข้าไปในร่างกายก็ไม่เป็นไรเพราะว่าร่างกายนี้ต้องการธาตุเด็กอยู่แล้วพระพุทธเจ้ากยายา็อนุญาตบาดดินกับบานเด็กเท่านั้นเพราะว่าเข้าไปในร่างกายเราไม่มีโทษแต่ถ้าเป็นอย่างอื่นพวกทองแดงพวกอะไรเข้าไปนี่ก็อาจจะมีโทษ แต่ภาชนะที่ทำด้วยทองแดงมาสองอย่างเท่านั้นที่พระผู้มีพระภาคเจ้าอนุญาตแล้วตามพระมารีว่าดูก่อนที่ถูกทหลายเราอนุญาตมาสองอย่างคือบาตเหล็กหนึ่งบาตดินหนึ่งสำนับบาตเนี่ยไม่ควรแต่ว่าภาชนะที่ทำด้วยทองแดงควรอยู่หมายถึงว่าใช้ได้แต่ว่าก็ให้ใช้เป็นของสงหรือว่าของก็ระหัดไป จะมาใช้เป็นของตนเองเก็บเอาไว้ น, นี่ก็ไม่ควรเพราะมีพระบารีว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ไม่พึงใช้บาทกระโลกน้ำเต้าเที่ยวบินทะบาทรูปใดใช้รูปนั้นต้องอาบัตทุกกดดังนี้ฉะนั้นพิกสูจน์เจอไม่ควรใช้ไม่ควรใช้กระโลเต้าเป็ของส่วนตัวแต่ได้มาแล้วบริโภคเป็นของขอยืมกวรอยู่ก็ใช้เป็นของขอยืมไป ใครจะมาขอใช้บ้า ง, งป้าแบนปั้นให้เขาใช้ไปเร า, าใช้เป็นของส่วนตัวนั้นไม่เหมาะสมสมถึงพวกฟักพวกน้ำเต้าอะไรพวกเนี้ยน้ำเต้าผลไม้จะมันแห้งแล้วภายในก็สามารถบรรจุด้ำได้ปัรจุวัตถุต่างๆได้แม้ในกระเบื้องหม้อดินก็มีดนนี้เหมือนกันก็คือเอามาใช้เป็นของส่วนตัวไม่ควรแต่ว่าใช้เป็นของขอยืมได้เพราะมีพระบารีว่าดูความที่สุดทั้งหลาย ที่สูตไม่พึงใช้บาดกระโหลกผีรูปใดใช้รูปนั้นต้องอบัตทุกกดฉะนั้นบาดแม้ที่ทำด้วยกระโหลกผีจึงไม่ควรกระโหลกผีก็คือกระโหลกศีรษะขงคนนั่นแหละก็เอามาตัดแล้วก็เอ า, เอ า, เอ า, เอาใส่อาหารนี่ก็ไม่เหมาะสมมีพาพภิสูตรรูปหนึ่งก็ถือของบางส่วนทุกอย่างมาใช้บาดกระโหลกหัวผีนี่นะนั่นก็เป็นที่ติเตียนก็มีอบัต ด, ด้นั่นนะทุกกด ที่สุจะวางบาตบนเชิงรองบาต ท, ที่เนื่องกับพื้นที่ซึ่งทําด้วยไม้ถวัรและหวายเป็นต้นและบนเชิงรองบาตรไม้จึงควรจะเป็นวางที่พื้นดินหรือว่าพื้นทรายกรวดต่างๆที่มันมีคมอันนี้ไม่ควรเพราะมีพระบาลีว่าดูก่อนที่จุดทั้งหลายเราอนุญาตเชิงรองบาตดังนี้สําหรับในเรื่องนี้ในกรุนทีกล่าวว่า บนเชิญรองบาทที่เนื่องกับพื้นจะวางซ้อ น, อนกันได้สามบาทบนเชิญรองบาทไม้ควรวางซ้อนกันได้สองบาทดังนี้ส่วนในมหาอัตตกะถากล่าวว่าบนเชิญบาทที่เนื่องกับพื้นไม่เป็นโอกาสแห่งบาทสามใบจะวางแต่สองบาทก็ควรแม้ในเชิงบาทไม้และเชิงบาทท่อนไม้ที่ตกแต่งเกลี้ยงเกลาดีก็มีในนี้เหมือนกัน ก็แลเชิงบาดไม้ที่คล้ายปลายเครื่องกลึงที่เชิงบาด ท, ท่อนไม้ที่ผูกด้วยไม้สามท่อนเชิงบาด ท, ท่อนไม้ไผ่เป็นโอกาสถึงบาดแม้ใบเดียวแม้วางบนเชิงนั้นแล้วพึงนั่งเอามือยึดไว้อย่างนั้นส่วนบนพื้นพึงคว่ำวางไว้แต่เพียงใบเดียวเท่านั้นนี่ก็เป็นวิธีการรักษาบาดไม่ให้บาดอันตรายเพราะว่าในสมัยกอย่อนส่วนใหญ่ก็บาดดิน ก็แตกได้ง่ายต้องระมัดระวังมากแม้เป็นดานเล็กก็ต้องระวังเหมือนกันก็มีพระบางรีว่าดูกวามที่สุทั้งหลายที่สุไม่เควรวางบาทไว้ริมกระดานเรียบริมกระดานเรียบนี้ไม่ควรวางไว้รูปใดวางไว้รูปนั้นต้องอบัติทุกกฎเพราะฉะนั้นทิ่สุจึงไม่ควรวางไว้ที่สุดแห่งริมเฉ่ยมและกระดานเรียบเป็นต้น ก็ถ้าว่าบาดกลิ้งไปแล้วจะค้างอยู่บนริมกระดานเรียบนั่นเองจะวางบนกระดานเรียบอันกว้างเห็นปานนั้นก็ควรก็คือถ้าวางไว้แล้วมันจะกลิ้งแล้วตกมาที่พื้นแตกอันนี้วางไม่ได้นะแต่บัตทุกกฎแต่ถ้าเกิดมันมีผนันมีพนักอยู่ถ้ากลิ้งไปแล้วก็จะไปค้างอยู่บนนั้นหรือว่ามันกว้างมากอันนี้ก็วางไว้ได้ พระมีพระบารีว่าดูก่อนที่สุทั้งหลายทิสุไม่พึงวางบาทไว้ริมกระดานเรียบเล็กๆนอกฝารูมใดวางรูปนั้นต้องอะบาดทุกกฎ ด, ดังนี้แม้ในริมกระดานเรียบอันแคบซึ่งเขาทำไว้ที่ข้างนอกก็ในนี้แลทิกษุปูท่อนผ้าตอนแล้วจึงวางบนผ้านั้นจึงควรให้ระวังนั่นเองถ้ามีพระบารีว่าดูก่อนทิกสุทัหลายเราอนุญาตผ้ารอง ก็เมื่อผ้านั้นไม่มีควรวางบนเสื่อลำแพนหรือบนเสื่ออ่อนหรือบนพื้นที่เขาทาขัดด้วยดินเหนียวหรือบนพื้นทรายเห็นปานนั้นซึ่งไม่ทําให้บาดเป็นอันตรายก็ได้แต่เมื่อพิจุวางในที่มีดินร่วนและฝุ่นเป็นต้นหรือบนพื้นที่คมแข็งต้องอาบัดทุกกฎเพราะมีพระบารีว่าดูกรพิจูทั้งหลายพิจูไม่พึงคล้องบาดไว้รูปใดคล้องรูปนั้นต้องอาบัดทุกกฎ เพราะฉะนั้นพิจุจึงไม่ควรคล้องบาดไว้ในที่ใดที่หนึ่งมีฟันบน้าเป็นต้นจะผูกแขวนไว้ที่ราวจีวรก็ไม่ควรและมีสายโยกบาดจะเอาไปแขวนเอาไว้ก็ไม่เหมาะสมไม่ควรมีอบัติทุกกฎ ด, ด้วยถ้ไม่ควรหิบแขวนก็จะวางเอาไว้ที่เชิงรองบาดหรือว่าวางไว้ที่พื้นที่ไม่มีอันตรายก็ได้ปัจจุบันนี้ของเราก็มีโซ่หลังบาดด้วยเพราะฉะนั้นถ้าวาง คว่ำเอาไว้มีฝาบาต ท, ที่ถักในพรมด้วยมีในพรมถักคลุมฝาบาตไว้วางคว่ำเอาไว้ถ้าไม่มีที่รองบาตอันนี้ก็ไม่มีโทษอะไรก็ต้องดูด้วยว่าจะทําให้ต ก, กลงมาหรือเปล่าวันนี้ก็สมควรใจเวลาก็คอยท่านทั้งหลายมีศรัทธามั่นคงในการรักษาพระวิ น, นัยเพื่อเป็นปัจจัยแกทษษษษษษ่ที่สติและติขาเพื่อเกื้อกูลแกทษษษษ่ที่จิตติกคาก็คือสมาธิภาวนาแล้วก็เพื่อกูลแก่ที่ปัญญาติกขา กจะเริยวิปัสสนานั่นเองถ้าศีลบริบูรณ์ดีสมาธิมีกำลังแล้วก็เป็นปัจจัยให้วิปัสสนาเจริญนุ่งเนืองก็เป็นเหตุในการที่จะทําให้บรรลุอริยมรรคผลได้ขอให้ท่านได้เห็นสัจธรรมตามที่พระพุทธเจ้าได้เห็นแล้วแม้พระอริยสาวกได้เห็นแล้วแล้วก็ขอให้ท่านได้เกินพระอริยสาวกองค์หนึ่งในบรรดาอริยสาวกทั้งหลายในเร็ววันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ